ก็ไม่ใช่นิพานแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่นิพานแบบพระ พ, พุทธเจ้าข้อสพอบอกว่านิพานเป็นอัตตาเป็นตัวกูตอนนี้เปลี่ยนไม่เอาขันห้าหรือสังขารเป็นเอโสโมเม อ, อั ต, ตาคือเป็นตัวกูแล้วแต่เอานิพานเป็นอัตตาคือเอานิพานเป็นเอโสโมเมออ ต, ตาก็มาเข้าเรื่องความยึดถือหมายความว่า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 ข้อหย้ำที่หลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอัตตาโดยตรงหลักพระพุทธศาสนาบอกชัดเจนว่าการถืออัตตาการถือว่ามีว่าเป็นอัตตาเป็นกิเลสที่เรียกว่าอุปาทานคือความยึดติด ถ, ถือมั่นหรือถือผิดอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอั ต, ตวาทุปาทานแปลว่าความยึดติด ถ, ถือมั่นวัทะว่ามีว่าเป็นอัตตา